ผู้ที่มาชักชวนเราให้ไปปฏิบัติด้วยจะให้เราสำเร็จภายใน7วันเนี่ยภายหลังนี้ท่านก็สึกไปเป็นคารวาดไปมีครอบครัวเหมือนกันไม่รู้ว่าท่านเอาความรู้ความเข้าใจอะไรมาพูด